ทีนี้ถามว่าเอา้าท่านผู้เจริญย่อมไม่รู้ไม่เห็นนะสิก็พระโกกนุทพรามเข า, เาโกกนุทะปริภาชกเขาถามว่าคือถ้าผ่านนเนี่ยถามไล่มาปฏิเสธหมดเลยอ่ะนะถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่รู้ไม่เห็นสิไงนะเขาเรียกว่าศพไปเลยนะดูก่อนอนาะวุสโสเราไม่รู้ไม่เห็นหาไม่ได้เรารู้อยู่เห็นอยูอย่คือรู้เห็น แต่ท่านก็ไม่ได้ตอบว่าไม่ได้รู้เห็นแบบท่านะนะแต่ว่าก็รู้เห็นอยู่เหมือนกันอย่างนั้นทีนี้โกกนุทะปริพาชกกไล่ไล่คำถามทั้งหมดและคำตอบที่พระออนรินตอบทั้งหมดไปเนี่ยนะที่ไทยคำว่า mm. เมื่อสัตว์ตายแล้วอ่ะย่อมเป็นอีกก็มีมย่อมไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่น เล่าหรือท่านก็กล่าวว่าดูก่อนนับุโสเราไม่ได้มีความเห็นอย่างนั้นเมื่อถูกถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านผู้เจริญย่อมไม่รู้ไม่เห็นละสิก็กล่าวว่าดูก่อนนับุโสเราย่อมไม่รู้ไม่เห็นหาไม่ได้เรารู้อยู่เห็นอยู่ดูก่อนนับุโสก็อัถฐแห่งภาสิตนี้จะพึงเห็นได้อย่างไรเล่านะคือเขาก็ถามนะอ่ะนะเอ๋คำว่ารู้อยู่เห็นอยู่ของท่านเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะโกกนุธาปริพาชกคำถาม ถ้านนก็ตอบว่าดูก่อนอวุโสข้อนี้ว่าโลกเที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอันนี้เป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งะนะว่าให้ตรงนะทิฏฐิที่เมื่อวานอุปมาเหมือนกับความฝันใช่ไ้ยเหมือนกับคนฝันสิบเรื่องอ่ะนะอ้าวละทัทธิข้อที่หนึ่งะมันก็เป็นความฝันอีกชนิดหนึ่งนะไอคนเนี้ยฝันเห็นภาพแบบนี้อันนี้ก็เป็นความฝันอีกชนิดหนึ่งสรุปทั้งสิบลัทธินั้นก็คือ ฝันสิบเรื่องคือความฝันทั้งนั้นแหละเอานะอย่างที่ถามเมื่อวานว่าเขาฝันจริงไหมจริงแต่สิ่งที่เขาฝันเนี่ยจริงไหมไม่จริงอันนี้พวกพวกฝันธาตุกำเริบมยนะยกฝันธาตุกำเริบแม้แต่ฝันด้วยกรเนี่ยนะถึงฝันจริงอ่ะแต่ว่าอาการที่ฝันเนี่ยแนวเดียวจริงแต่ไม่ได้เป็นภาพเดียวกันกับที่ฝันยกตัวอย่างว่าพนางมัีเนี่ยนะ อฝันด้วยกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยให้ฝันฝันว่าว่ายัางไงเขาควักหัวใจหรือควักตาเขาควักตานะควักตาควักหัวใจเนี่ยเสร็จ แ, แล้วไอ้ความฝันอันนั้นนางตื่นมารู้เลยว่าคิดถึงลูกฝันเป็นอันดับแรกเลยถามว่าที่นางฝันนั้นอ่ะฝันจริงไหมแล้วก็โดยเหตุการณ์เนี่ยเล่าด้วยว่าจะต้องพลากจากลูกแน่นะนางก็พอเดาได้แล้ว อ๋ อ, เ, อ, เ, อเดี๋ยวไม่เข้าเรื่องที่ว่าเลยจะไปเรื่องอื่นมากอาทีนี้พระนางมัสซีนี่ก็ก็พอพอตื่นมาเนี่ยรู้เลยนะว่านึกห่วงลูกขึ้นมาทันทีเลยเพราะฝันแบบเนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับลูก <c oughs> หรือเอาพระโพธิสัตว์ฝันเนี่ยพระโพธิสัตว์ฝันว่าอาศัยความฝันเนี่ยท่านฝันแบบนั้นซึ่งเป็นนิมิตหมายให้รู้ว่าจะเป็นพระพูเทอเจ้าแต่ว่าภาพที่ฝันเนี่ยไม่จริง เพราะมันคือความฝันไยนี้ก็เหมือนกันนะลัทธิเหล่านี้ทิฐิเราเนี้เป็นทิฐิจริงเขาเป็นทิฏฐิแต่ว่าสิ่งที่เขาถือเนี่ยมันไม่จริงมไม่เลยอุปมาว่าทิฐิแต่ละอย่างเหมือนกับฝันแต่ละอย่างเท่านั้นเองอนะอันนั้นก็เป็นความฝันชนิดนึงอันนั่นก็ฝันชนิดหนึ่งอันนั้นก็ฝันชนิดหนึ่งว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกศูนย์หรือโลกไม่ศูนย์พวกเนี้ยก็คือทิฐิแต่ละอย่างแต่ละอย่างเท่านั้นแหละที่คิดขึ้น เพราะฉะนั้นพระนนก็บอกว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นถ้าใช้คําว่าทิฏฐิรู้กันว่าเป็นความเห็นอย่างหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งเป็นสังขารขันใช่ไหมเป็นนามธรรมนิดหนึ่งนะเป็นสังขารขันดูก่อนนะวุโสทิฏฐิก็ดีนะคือตัวทิฏฐิเนี่ยนะเหตุที่ตั้งแห่งทิฏฐิก็ดีที่ตั้งมั่นแห่งทิฏฐิก็ดีที่ตั้งขึ้นโดยรอบแห่งทิฏฐิก็ดี ความเพิกถอนทิฐิก็ดีมีประมาณเท่าใดเราย่อมรู้ย่อมเห็นทิฐินั้นมีประมาณเท่านั้นนัะถ้าว่าให้ตรงแบบสัมนวนที่คุ้นเคยก็คือทิฐิอ่านนะเหตุเกิดของทิฐิความดับของทิฐิอสาธาของทิฏฐิอาทีนวะของทิฐินิสรณะของทิฐินี้เรารู้เรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยนะถ้าถ้าอันนี้อีกสัมนวนหนึ่งแต่ว่าในสัมนวนนี้ก็บอกทิฐิก็ดีที่ตั้งแห่งทิฐิคือปัจจัยอ่ะนะ ที่ตั้งก็คือฐานอนานทิฐิฐานะคือปัจจัยของทิฐิหรือเหตุเกิดของทิฐินั่นเองหรือที่ตั้งมั่นของทิฐิว่าทิฐิมันเกิดขึ้นมันตั้งมั่นยังไงหรือว่าที่ตั้งขึ้นโดยรอบหรือปริยุทธานของทิฐิมันเป็นยังไงเกิดแล้วมันเสียหายยังไงก็รู้หมดแล้วจะเพิกถอนทิฏฐิเนี่ยเพิกได้ยังไงเนี่ยนะพระนรินท์ท่านรู้หมดเลยสรุปว่าไอ้ทิฐิเหตุเกิดทิฐิความดับทิฐิอัศรธาของทิฐินิสรณะของ ทิฏฐิเนี่ยถ้านนรอบรู้หมดเลยในเรื่องของทิฏฐิเพราะฉะนั้นทิฏฐิเรารู้ทิฏฐิเป็นต้นนั้นจึงกล่าวว่าเรารู้อยู่เราเห็นทิฏฐิเป็นต้นจึงกล่าวว่าเราเห็นอยู่เราจะกล่าวว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นได้อย่างไรดูก่อนนบุโสเรารู้อยู่เห็นอยู่รู้และรู้ทิฏฐิ ร, รู้ฐานะคือส ม, สมุทัยนะหรือปัจจัยของทิฏฐิ รู้ว่าทิฐิเวลามันเกิดขึ้นมันปริยุทธานมันกลุ่มรุมยังไงแล้วก็ละทิฐิเพิกถอนทิฐิด้วยด้วยข้อปฏิบัติยังไงเนี่ยนะเลิกละได้จริงๆที่ไหนท่านท่านรู้หมดนี่ยนะทีนี้เพราะฉะนั้นก็เรารู้อย่างนี้เห็นอย่างเนี้ยจึงบอกว่าเรารู้เราเห็นจะไปบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นได้ยังไงโกกนุถะปริภาชกกะบอกว่าท่านผู้มีอายุท่านชื่ออะไร น, นะเขาก็าคุยกันแบบเชา้ชาเช่ามื ด, ม, ดมืดเนี่ยนะคือ อยากรู้ว่าชื่ออะไรบอกเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายย่อมเรียกท่านผู้มีอายุว่าอย่างไรดูก่อนอะบุโสเรามีชื่อว่า อ, อนอนท์และเพื่อนสัพรหมจารีทั้งหลายเรียกเราว่า อ, อนอน์โกกนุธาปริพาช ก, กบอกข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าสนทนาอยู่กับท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ น, น, นี่นะคือคือพระอนนท์สมัยนั้นใครก็รู้อยู่แล้วผู้มีชื่อเสียงมากเลยนะไม่รู้เลยว่าท่านเป็นพระอนน์ ถ้าข้าพเจ้าเพิ่งรู้ว่านี้คือท่านท่านนนท์ใส่ข้าพเจ้าก็จะไม่พึงกล่าวโต้ตอบถึงเช่นนี้ขอท่านท่านนนจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเนี่ยนะคือคือไม่ไม่น่าเลยนะถามว่าทำไมเพราะว่าพระนน์จริงกริงอ่ะพระราชามหากริย์เป็นต้นเนี่ย ถ้าว่ากันโดยยศศักย์อะไรทั่วไปแบบโลกๆกันนะเป็นอาจารย์ของพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นนะเป็นกาลยานมิตรสัมนวนว่าเป็นผู้ใหญ่สามารถให้คุณให้โทษได้ไอการที่มาโต้ตอบแบบนี้กับผู้คนเป็นใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าเสียงมากนะเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยไหว้พราะนับพระราชานับถือก็มีเพราะถ้าเดี๋ยวเราไม่ไหว้นะเดี๋ยวเกิดคนไปบอกพระราชาว่าเราไม่ไหวเดี๋ยวเดือดร้อนอีกฝันพวกนั้นก็เรียกว่าไหว้เพราะกลัวนะไหว้เพราะกลัวพวกนั้นก็มี <c oughs> มาย้อนตัวทบทวนทบทวนอีกครั้งที่ <c oughs> พระนนท์ท่านบอกว่าท่านเนี่ยรู้อยู่เห็นอยู่ท่านรู้อะไรเห็นอะไรท่านบอกว่าท่านรู้จักทิฏฐิใช่ไหมว่าทิฏฐินี้มี62เนี่ยนะมีอยู่เท่าใดทําไมพระนนท์จึงรู้ทิฏฐิหกก็ท่านพระนรนท์ฟังพรหมชาลสูตรมาอยู่แล้วเนี่ยนะเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวานเนี่ยนะ อันตราจราชคหังอันตราจนาลันทงังอ่ะสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินทางระหว่างเมืองราชคึกเมืองนาลันทาเนี่ยพักอยู่ที่สวนอัมพลตธธิการเนี่ยนะสมัยนั้ น, นยังไงก็พันธาโน น, นก็เรียนพรมมาราสูตรเป็นอย่างดีนะโดยที่ฐ2หท่านก็รอบรู้อย่างเด็ดขาดอ่โดยโดยคำสอนอย่างหนึ่งและอย่างที่สองเนี่ยทิฐิเนี่ยเกิดจากอะไร ก็เกิดจากสกายทิฐิสกายะทิฐินี้เกิดจากอะไรเกิดจากการไม่ได้สดับเกิดจากการไม่เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่มีวินัยของพระอริยะเพราะจึงเห็นรูปโดยความเป็นตนน่ะเป็นต้นนั่นเองแล้วสิ่งเหล่านี้ท่านพระนรนก็อุปาทานขันเหล่านี้ท่านก็ทําปริญญาด้วยยาตะปริญญาตีระปริญญาแล้วก็ด้วยโสดาปฏิมักเรียบร้อยแล้วเพราะโสดาปฏิมักทากิจปริญญา ทำกิจประหานะทำรรกิจทำนิโรธให้แจ้งอันนี้โดยระดับสูงแต่วันนี้ไปคิดคำหนึ่งคือเขาจะหลายๆแห่งกขาบอกว่ามักและวิปัสนาเนี่ยนะท่านนิยมใช้ว่าด้วยมักและวิปัสนาหมายคาอว่ามักเนี่ยก็รู้ในสิ่งที่วิปัสนาเนี่ยแหละรู้พื้นฐานเพราะฉะนั้นไอ้มักเนี่ยคือคือวิปัสนาที่เจริญถึงที่สุดะนะวิปัสนาที่เจริญถึงที่สุดให้ผลเป็น เป็นมัชใช่ไหมเพราะฉะนั้นขณะโสดาปฏิมัชถึงมีนิพานเป็นอารมณ์ก็ถือว่าทํากิจในการโดยกิจนะถือว่ารอบรู้ในทุกขเป็นอย่างดีถือว่าทํากิจเนี่ยละสมุทัยตามอนุภาพของมัชอันนั้นนะถ้าโสดาปฏิมัช ก, ก็ทํากิจละสกายะทิฐิวิจิกิจชาและศีลปัตตะปรา ม, มาได้โดยเด็ดขาดละอกุศ ล, ลจิตตบบาทสี่ดวงเอ่อห้าดวงละอกุศลจิตตุ บ, บาทหดวงคือ โลภาทิฐิคตะสัมปยุตสีและวิจิกิจช้าอีกหนึ่งเพราะนั้นเป็นผู้ที่รอบรู้เรื่องทิฐิเป็นอย่างดีทีนี้ต่อไปว่าทิฐิเนี่ยทั้งจะว่าโดยสกายทิฐิหรือโดยทิถิ62กิอก็ตามทิธิเหล่านั้นเนี่ยมีฐานะที่ตั้งอยู่แปประการด้วยกันฐานะคือปัจจัยของที่ของทิฐิ8อย่างคือขันก็เป็นฐานะของทิฐิอนขัน สองอวิชชาเนี่ยนะสภัสสะก็เป็นปัจจัยแห่งทิฏฐิสสัญญาก็เป็นเหตุแห่งที่ตั้งฐานะเนี่ยนะฐานะแห่งทิฏฐิห้าวิตกหกอโยนิโสมนสิการเจ็ดป่าประมิตร 8. ป, ประโตโคศะเพราะฉะนั้นฐานะแห่งทิฏฐิมี8ประการนี้นะทวนอีกครั้งคือหนึ่งขันสองอวิชชา สมผัสสะสี่สัญญาห้าวิตก 6. กอโยนิโสมนสิการเจ็ดปาปมิตรแปดปะโตโคสะปะจัจจแย8ประการนี่แหละคือเหตุแห่งทิฏฐิบทว่าอธิฐานังที่ตั้งมั่นแห่งทิฏฐิคำนี้เป็นชื่อของทิฏฐิที่ตั้งมั่นครอบงำเนี่ยนะส่วนทิฏฐิปริยุทธานะคือความกลุ่มรุมแห่งทิฏฐิก็คือ อ่านะว่าทิฏฐิเวลามันเกิดขึ้นนะมันมันเป็นยังไงบ้างอ่านนะพูดอีกครั้งหนึ่งข้อแรกนะภาโนนเนื้อรู้จักทิฏฐิสองฐานะฐานะแปลว่าเหตุเหตุของทิฏฐิแปดประการข้อสามว่าทิฏฐิที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกลุ่มรุมยังไงประยุทธ์ฐานะนะคือเวลามันเกิดขึ้นนะคือทิฏฐิเป็นความเห็นก่อนอันดับแรกอ่านนะความเห็นกับความฝันเนี่ยนะอุปมาเหมือนกับความฝันอ่ะทิฏฐิขหณณะ ชัดคือทิฐิเนี่ยนะมันรกมากนะตัวทิฏฐิถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันรกสามทิฐิ i, กันดารเรียกว่ามันกันดาร น, นะนีกันดารด้วยมันไอคำว่ากันดารเนี่ยข้ามยากมากใครถ้าตกหลุมทิฏฐิแล้วก็มันข้ามยากทิฐิวิสูกะ่าศึกคือทิฐิทิฐิเนี่ยมันเป็นข่าสึก ความดิ้นรนคือทิฏฐิสังโยช์คือทิฏฐิลูกศรคือทิฏฐิความแคบแคบคือทิฏฐิเครื่องกังวลคือทิฏฐิเครื่องผูกคือทิฏฐิเหวคือทิฏฐิอนุสัยคือทิฏฐิเครื่องเผาคือทิฏฐิเครื่องเร่าร้อนคือทิฏฐิเครื่องร้อยคือทิฏฐิอุปาทานคือทิฏฐิความยึดมั่นคือทิฏฐิและก็ความจับต้องคือทิฏฐิเราเนี่ยเป็นปริยุทธานของทิฏฐิตรงนี้ขยายว่าปริยุทธานกับอนุสัยด้วยกันเลยนะว่าปริยุทธานกับอนุสใสแสดงคู่กัน อัน น, นอนุสัยคือทิฏฐิแผมตัวทิฏฐิทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะโดยพ้นขันห้ามีไหมทิฏฐิก็มีก็ยึดขันห้านั่นแหละทิฏฐิเวลาเกิดขึ้นเน่ยนะก็ยึดขันห้าแต่ว่ารวมๆนะทิฏฐิมันยึดแบบนี้อัตตะกัอัตอตะนิยะเนี่ยนะเวลาทิฏฐิมันเกิดขึ้นน ก็ยังดีไว้ทั้งเป็นฟูงฟูงมีมาฟังอยู่ตัวสองตัวมาทุกวันเลยครับมาทุกวันนักเรียนดีอัตตานี่ก็คือตนอัตตนิยะก็ของตนเนี่ยะเวลาที่ถีที่เกิดขึ้นนะั้นมันจะยึดอย่างไงบางอย่างยึดว่าเป็นตนใช่ไหม บางอย่างยึดว่าเป็นของของตนเนี่ยมันจะยึดด้วยอํานาจสองประการนี่แหละไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งทีนี้ถามว่าไอาการยึดว่าตนหรือว่าของตนเนี่ยยึดในอะไรทั่วไปเ น, เน้นภายในก่อนนะคือขันอย่างหนึ่งอายตนะอย่างหนึ่งหรือธาตุอย่างหนึ่งคืออันนี้พูดแบบคนที่เข้าใจแล้วนะ ศึกษาและแยกแยะว่าไอ้ทั้งหมดที่เขายึดว่าตนหรือของตนนั้นแ่ะคือขันอายตนะธาตุทั้งนั้นแหละอัน น, น้เช่นยึดว่ารูปเป็นตนบางทีม่จะบอกไม่ใช่เป็นของตนบางพวกก็บอกยึดโดยความเป็นของตนใช่ไหมบางพวกยึดว่าเป็นตนอันนนเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะ ยึดสิ่งเหล่านี้บางคนยึดว่าเป็นตนในอย่างใดอย่างหนึ่งบางอย่างที่เหลื อ, อก็ยึดว่าเป็นของตนหรืออาจจะเป็นยึดตาว่าเป็นตนก็มีบางพวกก็ยึดตาว่าเป็นของตนก็มีตาอ่านะบางทีบอกว่าตานี่เป็นเราบางที่าตานี่ไม่ใช่เราหรอกมันของเรานะแล้วก็ยึดอย่างเงี้ยหูจมูกลิ้นกายหรือใจนี่นะก็อย่างใดอย่างหนึ่งแหละ นนะปุตุชนนะ่ะลองไล่ไล่ไปเหอะเนี่ยเขาจะยึดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าผู้ที่ศึกษาธรรมะแล้วไปไล่คนที่ไม่ศึกษาเนี่ยนะจะได้อันนี้สอคือได้ศัตรูเพิ่มมาอีกคนหนึ่งเนี่ยนะจริงๆก็บอกว่าไม่เป็นมิตรกัอย่าเพิ่งเป็นศัตรูกันเลยอย่างั้นจะทะเลาะกันและเพราะว่าพื้นฐานของคําว่าเราหรือของเราแบบแบบปุตุชนทั่วไปอะ่ะเป็นคําพู้ที่ สํานวนพูดแบบไทยก็บอกเป็นความพูดที่ไม่ได้คิดมาก่อนอะไรเนี่ยนะเป็นแบบเป็นความเคยชินเป็นความยึดถือเข้าไปเท่านั้นเองเป็นคําพูดที่ไม่ได้เกิดการแยกแยะอะไรเลยเนี่ยนะโดยที่สุดแม้แต่โรคอย่างของเราเลยใช่หมัน ย, ยึดหมดแต่หรือธาตุก็เหมือนกันนะจากขู่ธาตุรู ป, ปรธาตุจากขู่วิญญาณธาตุในหนึ่งอีกในหนึ่งก็ยึดปฐวีธาตุว่าเป็นตน้นปฐวีนะปฐวีมีเท่าไหร่ ใช่อาปโปสิบสองเตโชสี่วายโยกเนี่ยนะหรือวิญญาณธาตุอีกวิญญาณอีกหนึ่งเนี่ยนะไอ้อากาศไปยึดตรงไหนว่าเป็นตนของตนก็ได้นะช่องช่องปากของตนใช่ช่องหูของตนอย่างงี้หนระือว่าแต่ยึดว่าตนนี่คงไม่ใช่มั้ง ย, ยึดอากาศเป็นตนเนี่ยนะ มีแต่พวกอาการ์สานัญจายตนะนะเพื่อนนั้นอาจจะยึดก็ได้พื่นี้จะยึดว่าเนี่ยยึดว่าตนบ้างยึดว่าของตนบ้างวัตถุดิบเดียวกันเนี่ยนะของพระพุทธเจ้าสอนให้แจกก่อนว่าทั้งหมดคือขันอายตนะธาตุซึ่งย่อๆที่คุ้นเคยกันมากคือนามกับรูปเท่านั้นแหละนามกับรูปเนี่ยเขบอกว่าไม่ใช่ตนหนึ่ง 2. ไม่ใช่ของตนเอ้าถามว่ามันไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นขันน่ะมันก็เป็นอายตนะมันเป็นธาตุอ่ะนะมันเป็นขันเพราะมันเป็นกองใช่ไหมกองว่าด้วยขันเนี่ยสิบอดกองให้ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประนีตใกล้ไกลอ่ะนะทั้งหมดนั่นก็คือขันมันไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนถ้าเป็นอายตนะเนี่ย ตามันเป็นอะไรอะตามันก็เป็นตามันไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนทั้งนั้นอนะจากขูมันก็เป็นจากขู่วันยังค่ำเหมือนพะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจากขู่เหล่านี้นี่เป็นเครื่องต่อนะว่าต า, าก็มาอย่างนี้แหละมาด้วยอายตนะและอาศัยอายตนะเนี่ยมาต่อเพื่อให้มีอายตนะเนี่ยนะมันเหมือนวิชาค้าขายนี่ก็เอาทุนมาต่อเอาทุนมาลงทุนอ่ะนะคือหมายว่าตาเนี่ยมันเป็นเป็นผลกําไรของ การลงทุนครั้งที่แล้วใช่ไหมทำให้มีกำไรคือตาเมื่อมีตาก็ลงทุนใหม่ทำกรรมอ่ะนะอาศัยตามาทำกรรมเพื่ออะไรเพื่อให้มีตาอันต่อไปเนี่ยมันเป็นเครื่องต่อลักษณะนี้นะมันเป็นเครื่องสืบต่อมันยังว่าตาให้เป็นไปไม่มีสิ้นสุดอะหรือมันเป็นธาตุเพราะว่านิสสตะนิชีวะสุญญสภาวะเนีาา่ยนะนิสัตานะนิชีวะอ่ะ ศูญยะเนี่ยนะเนี่ยที่ที่มาของคุ้นเคยกันมากศัพท์เนี่ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเนี่ยนะอันนี้ที่ที่มาของศับเนี่ยคือความเป็นธาตุแต่ว่าความเป็นธาตุอย่างอย่างที่กล่าวเนี่ยนะผู้ที่ศึกษาในความเป็นธาตุจริงๆเนี่ยที่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเนี่ยเขารู้ว่ามันเป็นเช่นปฐวีธาตุปฐวีธาตุนี้มี มหาพูดอย่างอื่นเป็นปัจจัยเนี่ยนะเช่นปัทวีธาตุคือผมผมที่มีลักษณะอย่างนี้มาจากปัจจัยอะไรบ้างเข้ารอบรู้ในความนิสตานิชีวะศูนย์ยะคำว่างก็คือนิจจะศูนย์ศูนย์ผมมีไหมตกลงผมมีหรือไม่มีปัทวีไงมีผมมีแต่ไม่มีอะไรไม่มีความเที่ยงอยู่ในนั้นเลยศูนย์นะแปลว่าไม่มีความเที่ยงอย่างหนึ่งสองไม่มีความสุข สามไม่มีสุภาสไม่มีอัตตาเนีย่ยนะแต่ผมมีไม่มีเนีย่ยนะก็่มีโดยโวหา ร, า ร, หารจริงๆแล้วแม้แต่ข่าวว่าปฐวีก็โวหารอีกนั่นแหละเนีย่ยนะแต่เป็นโวหารเนีย่ยนะเป็นทั้งหมดเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าสอนขึ้นมาเนี่ยจะเรียกว่าบัญญัติก็ได้แต่เป็นบัญญัติเพื่ออะไรพระองค์แสดงธรรมเพื่อ นะจุดมุ่งหมายนะมีมีจุดมุ่งหมายในการแสดงนะคือบัญญัติของพระองค์ก็มีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ว่าเมื่อพระองค์แสดงอย่างนี้แล้วสาวกทั้งหลายไปมนัสิการตามเนี่ยนะตามเพราะว่าออมันไม่ใช่แบบพระประเจกใช่ไหมท่านรู้แต่อัฏถะแต่ไม่รู้ธรรมะพระประเจกนะรู้แต่อัฏะแต่ไม่รู้เรียกว่าธรรมะอัฏถะคืออะไร คือตัวตัวความหมายของสิ่งเหล่านี้นะียอย่างหนึ่งธรรมะก็คือเช่นภาษาบัญญัติเอามาเรียกกันมีหลายๆเรื่องนะของมาเนี่ยรู้แต่อัตถะเฉยๆเช่นเข้าไปในร้านบางอย่างนะตาเนี่ยเห็นรู้อนะมองเห็นอะไรเป็นอะไรไปหมดอะ่ะแต่ถามว่าให้พูดสักอย่างขึ้นมาสิอ่ะนะให้เรียกวัตถุเหล่านั้นน่นนะเรียกได้ไหมเรียกไม่ได้เขาบอกสัม น, นวนว่าคนใบ้ฝันอ่ะนะ สิ่งนั้นเขาเห็นจริงไม่จริงแ ต, แต่ว่าเอามาพูดไม่ได้ลักษณะนี้ก็เหมือนกันนะพระประเจกท่านรู้จักขั น, นยตนาธาตุไหมท่านรู้แต่เอามาสอนไม่ได้เอามาพูดไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงถามว่าทำไมเพราะไม่ใช่วิสัยพระพุทธเจ้าก็เอาสิ่งเหล่านี้มาบัญญัติเนี่ยนะเป็นเรียกว่ามาบัญญัติเป็นขันบ้าง ขันธปัญญาติอายตนะปัญญัติธาตุปัญญาติสัจจะปัญญาติอินทรียาปัญญัติเนี่ยนะคือบัญญัติว่าเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นอินทรีย์เนี่ยนะถามๆการบัญญัติของพระองค์นี่เพื่ออะไรนะการบัญญัติเนี่ยคือการทําเปิดเผยทําให้ตื้นทําให้ง่ายสาวกทั้งหลายก็มานสิการตามที่พระองค์สอนในการมานสิการที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกว่าเป็นการเจริญหรือการ ปฏิบัตินั่นเองก็เห็นตามที่พระองค์สอนเพราะั้นพระพุทธเจ้าสอนขนันนยตนาธาตุเนี่ยถ้าพูดอย่างี้เนี่ยเท่ากับบอกกิจเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกิจอันนั้นคืออะไรอ่นะปริญญาญากิจนะเนี่ยนะสอนเพื่อให้ทำปริญญาญากิจเนี่ยนะสอนเพื่อให้รอบรู้ด้วยปริญญาสามจุดมุ่งหมายที่สอนอย่างนี้เพื่อให้ให้อะไรให้ละตัวนี้เนี่ยนะ ละความสำคัญผิดว่าเป็นอาตาัตราละความสำคัญผิดว่าเป็นของอาตาัตราคือให้เห็นอะไรให้เห็นว่าอย่างเช่นที่กล่าวว่าถ้ารูปเป็นรูปประคันว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้หรือไกลทั้งหมดนั้นเป็นรูปเธอเพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตราของเรา แล้วมันเป็นอะไรเอาก็บอกแล้วว่ามันเป็นรูปมัน <c oughs> จึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราอ่ะนะแต่มันแหม่มันมั น, ม น, มนอดคิดว่าเราไม่ได้นะก็มันเป็นรูปทีนี้ไอ้ถ้าจะให้เห็นชัดว่าทําไมจึงประกาศว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราที่มันไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนเนี่ยเพราะมันอาพาธอย่างหนึ่งอันนี้จะโตทุกขโตโรขโตนาตโตสาระโตเป็นต้นนะถ้าใครที่จเจริญโตโตมากๆโอ้โห มันวุ่นวายขนาดนี้ยังจะบอกว่าเราอีกหรือ ok. เนี่ยนะคำนวณว่ามันไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นโรคเป็นนางหัวฝีเป็นนา ง, งลูกศรเป็นตัวที่ลําบากเป็นไข้เป็นตัวที่เกิดแก่เจ็บตายเศร้าหมองเป็นต้นเนี่ยแล้วมันจะบอกว่าเป็นเราได้ยังไงเออแล้วมันเลวขนาดนี้เหมือนกันแต่แบบมันกดยึดไม่ได้แล้วที่พูดทวนไปบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในอํานาจของขันฉางเราอีกอิทถิอันนี้ก็ไม่เลวนะครับ ว่รูปวันนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจที่เราจะไปสั่งอะไรมันเลื่อนคือคํา <c oughs> ว่าอำนาจตัวนั้นเนี่ยนะคือตัวที่เขาสั่งนะโดยทั่วท่วไปอะ่ะเขาบอกว่าไอ้ที่ยังไม่เกิดขอให้มันเกิดอย่างหนึ่งนะ <c oughs> ไอ้ที่เกิดแล้วก็อย่า <c oughs> ให้มันตั้งอยู่ให้มันอยู่แค่เกิดอ่ะถ้ามันเกิดแล้วก็ขอให้มันอย่ากแก่นะไอ้ที่แก่แล้วก็อย่าตายเนี่ยนะคือมันตั้งเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้เมื่อมันตั้งไม่ได้จึงเรียกว่า ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคือคือแล้วเอาใครมามีอำนาจนะอะไรอำนาจละ่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโวหารเหล่านี้ไม่ใช่ไปใช้กับการฝึกจิตอบรมจิตที่เรียกว่าภาวนานะเพราะตะธรรมะส่วนนี้กําลังพูดปริญยยธรรมอยู่ไม่ได้พูดภาเวตประธรรมภาเวตปธรรมจะอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่จะไม่ใช้ศัพท์เหล่านี้ว่าอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าขึ้นต้นดูก่อนพิสูจทั้งหลายอริยมรรคเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ แลอะไรจะเกิดขึ้นอะก็นี่เราตัง้งคำถามว่าใครเคยพบไม่ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสติไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะโวหารประเภทนี้มีไหมพราะพุทธเจ้าหลีกเลี่ยงมากถ้าเป็นกลุ่มโพธิปักขยธรรมเนี่ยจะไม่ขึ้นต้นด้วยใ ช, ใ, ช ใ, ชใช้วิธีการเดียวกันกับป ร, ริญยธธรรมเช่นความเพียนเนี่ยนะอันนี้ก็บอกว่า ดูก่อนพ่สู่ทั้งหลายถ้าผ้าถูกถ้าผ้าที่ผมตัวเนี่ยนะมันถูกไฟไหม้หรือผมบนศีรษะนี่ถูกไฟไหม้เนี่ยเขาจะทำยังไงก็บอกว่าเขาก็จะเพียนเพื่อที่จะเพียงด้วยอำนาจสติสัมปชัญญะเป็นต้นเพื่อจะดับไฟที่ไหม้ผ้าและดับไฟที่ไหม้บนศีรษะชั้นใดเพราะฉะนั้นกุศลที่ยังไม่เกิดก็ต้องภาคเพียนให้เกิดขึ้นอย่างนั้นอากุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วต้องเพียน เพียรละแบบนั้นแล้วพระองค์ก็บอกว่าเราเนี่ยตรัสรู้ด้วยความความเพียร น, นะนนแล้วก็มีบางสูตรเนี่ยดูค่ามพิสูจนทั้งหลายมีไหมกษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองที่ใหญ่โตนะนอนตื่นสายเนี่ยนะมีมพระองค์ก็เปรียบเทียบแบบนั้นขึ้นมานะเพื่อให้อะไรให้เห็นคุณของภาเวตปธรรมทีนี้ถ้าภาเวตประธรรมจเจริญขึ้นบริบูรณ์นะแต่นี้ค่อยๆพูดถึงชั้นสูงก่อนว่าถ้ายังติดสมถะวิปัสสนาก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ เพราะว่าพระอนาคามีท่านก็ยังติดในสมถวิปัสนาปัญหาให้มันติดอันนี้ก่อนเถอะนะพราะนั้นใครอยู่ดีๆสอนขึ้นมาเริ่มต้นก็สติเป็นอนัตตาอย่างนี้ก็เรียบร้อยอเพราะสติเป็นอยู่ในภาเวตธรรมทำไมบอกสติเป็นเป็นอนัตตาก็หมายความว่าเขาปล่อยมันไปแล้วแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปเจริญนะความจริงนี่สอนผิดมากๆเลยนะ คือคือโดยพยันอ่าโดยพยัญชนะเนี่ยนะอ่าไม่ไม่ผิดแต่ที่นี้ว่าที่ผิดคือไม่ได้คือไม่ศรัทธาไม่มากขึ้นครับสติเป็นหน้าตาถูกต้องแน่นอนครับแต่ว่าสอนผิดขั้นตอนเกอถามธรรมะเนี่ยนะถ้าว่าให้ตรงอ่ะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเนี่ยคือเพื่อ อ, อ บ, บรมอินทรีย์อ บ, บรมพะร ะ, ะอ บ, บรมโพชฌงค์กันไหมคใดก็ตามถ้าไม่เป็นไปเพื่อให้ศรัทธามากขึ้นวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมากขึ้น พระพุทธเจ้าจะไม่ไม่สอนแต่บุคคลอื่นเนี่ยถึงพูดถูก<ม>ก็เหมือนกับพูดแผ่นดินเนี่ยไม่ได้ผิดแต่ว่ามันเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานไหมมันไม่เข้ากับเรื่องอะ่ะใช่เ อ, อ, เ อ, อตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญมากในการในการกล่าวธรรมเพราะนะนั้นเอาแบบพระมหากระสปะว่าเนี่ยวันจะนะใดหรือพุทธพจน์ใดที่พระพุทธเจ้าสอนไม้แล้วเราก็รักษาเอาไว้ นะไม่ต้องไปบัญญัติเพิ่มในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ต้องเพิกในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะก็ภารพระมหากะสปาเนี่ตั้งยติอย่างนั้นเลยนะีว่าเราทั้งหลายจากไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่บัญญัติจะไม่เพิกสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วแต่ทีนี้สําคัญมากคือไม่ได้ศึกษานี่สิมจะไปรู้ได้ยังไงว่าอะไรพระพุทธเจ้าบัญญัติบ้างอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเนี่ยไม่ได้ศึกษาหรือว่าศึกษาไม่ไมค่อยรอบคอบนั่นนะตรงนี้แหละเป็น เป็นโทษทางก็ศึกษาออกกันแล้วกันว่ามันมีโทษยังไงบ้างอะไรถ้ามันผิดมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่คุณอยู่แล้วเป็นสิ่งที่จะต้องสังวรขึ้นน่นะ